หลั่มด่างหลั่มด่างที่อยู่อาเสร็เป็นอันิี่สอในโลกียภาพุ่มนีล่ล่ะเป็นเครื่องโน้นจิตโน้นใจให้มีคุณธรรมแห่งความเสียสละความรู้ความละความเสียสละ เป็นไปจนจนถึงที่สุดจนละกิเลสอาสวะละความโลภโกรดละความหลงเหตุปัญญาเขสาสู้โลบพุทธรท่ามเลยต้องสิ้นสุดกันากันสังสมอบร่มพากันไปฝึกปฏิบัติ เอ็ดเอาถ้ำเอาไวา้สิละท่านเศรษฐาวาินาเมตตากรุณามุทิตา เ, าเวขาจะเลื่อนเมตตาจะเลื่อนสติจะเลื่อ น, นปัญญาเียแล้วคอบค่าสมาคมกับนักปราชญ์บัญญิตกับธรรมะ สอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนักปราชญเอกในโลกเดี๋ยวเป็นศาสดาเป็นผู้ผู้สอนทัางที่ให้ประสบความสุขอันแท้จริงสอนให้ละเว้นเหตุที่จะให้เกิดทุกเกิดโทษความันของศีล ละเหตุแห่จะให้เกิดโทษเกิดทุกข์ด้วยอารมณ์สัญญาอารมณ์ถึงสอนให้ฝึกคิดฝึกใจใท่ามคิดให้ตั้งมัน่นมีสมาธิท่ามอันชอบฝึกสอน น, นท่ามที่จะให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างทำร่ายความมืดความ หลงในใจิตใจไม่มีภัยยิ่งกลัวพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาใกเป็นผู้ผู้สอนมนุษย์และเทวดาไม่มีศาสดาใดจะยิ่งไปกลัวนี่ผู้เดียวผู้เดียวมีคนเดียวเท่านี่าคํำสอนของ ผูเ้เป็นปาดเป็นท้มที่ถูกต้องเป็นท้มที่ชอบก็พฤทธปฏิวัติตามเวียนจากการคบข่าสมาค้มกับพานผ่านเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของคล่อมหลงหยึดติดอยู่กับของจริงเห็นของจริงว่าเป็นของของจริงเห็นของที่พึ่งพิ ง, พงอาศัย สั่วคู่สั่วคณะว่าเป็นของที่จะพึ่งพิงอาศัยได้ตลอดไปเป็นความเห็นของผ้านความเห็นของกิเลสที่จะให้เกิดควอมลุ่มหลงปิดกันควอมรูชอบมัม่วา อ, อยู่นี่แหละไม่พบทั้งซี เวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดน่พบทั้งสามพบทั้งสามเป็นเฮี่ยนเจ้าอยู่เวีย mm. นเกิดเวียนตายอยู่นภู่มสามกำเนิดซีมีขันห้าแลขันซีแลขันหนึ่งอ mm. มุนอยู่นี่จะว่าเป็นกลง mm. เป็นวัตฏมุนนี่ด้วยท่ามของทา่ามท่ามของกิเลสมันจะสอนเลยหมุนเร็วส่ คนไม่ม่งค้นสามสิบแปดประการคุทธเจ้าแสดงเรื่องม่งค้นสามสบแปดอที่หนึ่งคนยังขึ้นอาเซวนาจะพาละนังการบซ่องเสบคบคบค่ะสมาคมบไปม้าหาสู่กับคนผ่านเพราะว่าธรรมดาคนผ่านจะสอนสิ่งที่ผิดสอนให้ยินดีอยู่กับสิ่งที่ พิษสิ่งที่เป็นโทษเส่นการมั่วเมายินยินดีอยู่กับลูกเสียมกินลดยินดีกับการท่ำพิษสินพิษท่ำนี่เป็นคำสอนของคนพ่านคนดีๆคนที่มีท่ำอยู่ก็ตามถ้าหากว่าไปคบข้ากับพ่านมันก็นจะมั่วมอง หายเป็นผ่านไปได้เกิดความเสียหายในส่วนระยะชีวิตหรือส่วนระยะการดำเนินการปฏิบัติอยู่ของตนเองได้เปลี่ยนแปลงไปได้พุทธเจ้าควรจะเาบวกให้ครบคนผ่านการครบรค่าสมอค่มกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้ซี่ซ่องบอกทา่ามที่ช่อ ที่ซ่องบอกข้ามที่นําไปสู่ความสิ้นทุกข์นทนุ่เปึงเป็นมงค้นการบวชคบข้ากับพ้นพลานก็เป็นมงค้นเพราะิีรได้ถูกที่เนะหรือนํานผ้าในไปในทางที่ผิดเพราวา่าคบข้ากับพ้านพ้านภาย น, นอก บุคคลที่เป็นผ่านผ่านภายในจิตใจห่าผ่านที่กิเลสข้อมลงมันจะคือว่าห้เห่อถ้ามันคุณงน้าข้อมดีได้ทีให้ท่านนั น, นกระบอกว่ามันจะหมดมันจะสิ้นจะเพืองไปเพราะได้ประโยชน์ยังสิ่ภาวนาทีตั้งสติข้อมนดรู้คิดรู้ใจเจ้าของรู้ข้อมเคลื่อนไวไปมากมันแปลว่าทุกข์ยากลําบาก คิอัดไปยไปอย่าคิดอันใดคิดไปอย่านึกอันใดนึกไปมันก็สืสอนมันก็สือบอกคิดใจเข้าย้อนสั่นเอียนเขาไปหลงตามมันก็เลยไปในทาา่านคิดตามพลาดนั่นเพราะฉะนั้นเอาตามคําสอนผู้ใจเจ้าผู้ใจเจ้าให้สละ ท, าท่านคือการสละสัญญาอารมณ์อันใดมันเป็นไปเพื่อความ เล่าล่อนข้อมฝุ่นหไหวเมื่อนึกเมื่อคิดแล้วสกัดกันอารมณ์มันนั่นโดยการว่าน้อมไปว่าพิตกวิจารณ์ไปตามเรื่องนันนั่นทวนกระแสดโดยการว่าเพี้ยนเอออารมณ์แห้งพราะผู้ใเจ้าเพระาะถ้ำเพราะสงอารมณ์แห้งข้อมรู้ข้อมเห็นเหตุผลแห้งข้อมแปรปวนไปตามข้อมเป็นจริง ขันยังว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสาคฆานุสติในอนุสติสิบจะเลื่อนสติในอาการสิบยางเนี่ยยางใดยางหนึ่งพุทธานุสติแลลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื้นผู้เบิกบานร่วม เอาสัส้นๆกปเลยว่านึกพุธโทษคุธโทษทำมนุสติก็้วทำคำสอนที่ตัดไู้ชอบเป็นนิย่านิกระทั่มนําออกจากทุกได้หลึกถึงคุณธธรรมนึกเอาสัส้นๆนึกรมโม่ทมโม่ทมโ ม, โมส่สัมฆานุสติสติละลึกในคุณของพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบใ้เขาซู่ท่ามพ้นทุกข์ ตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติดีพระสงฆ์ฝูกปฏิบัติดีให้เห่าปฏิบัติดีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงย่ายะปฏิปันโนปฏิบัติออกปฏิบัติละสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติพ้วนแจการปราการไหวอันนั้นเป็นคุณธรรมของพระอริยสงฆ์ น, อนอ้อมเขาม่าเอาสัมโพสัมโพสั่นๆเป็นคำบริกรรมเป็นคำระลึกจ่าฆ่านุสติระลึกในความเสียสละสละสละออกไปเลยนีอันใดมันมีเป็นอารมณ์ในสิ่งใดสละสละจ่าฆ่านุสติหรือสิ่งที่เราได้สละแล้วเราได้ให้แล้วระลึกเป็นอารมณ์ นีสติขังกับอยู่นี่เลยวายาฆ่านุสติศีลานุสติสัวอนสติหลอบรูกายว่ า, จาใจใจศีลานุสติปัสมานุสติแล้ลึกถึงพุ่นพันิพาณคุณธรรมแห่งความถึงพันิพานดับเสียซึ่งทุกข์ทั้งหลายดับทุกข์เกิดแย่เจ็บตายทุกข์เพราะ โสกะปริเทวะสุขทั้งหลายทั้งปวงสิ้นสุดไปเลีอยแต่ข้อมไม่มีทุกข์เลี้ยแต่เลี้ยแต่ข้อมเป็นอมตะคือธรรมชาติรูปหรือจะว่าสุขเป็นสุขที่เปลีป่ยนแปลงนง่อุปสมานุสติระลึกถึงคุนของปณิพนัชเปนว่ากายคตาสิตริระลึกรอบรู้ในกายของเรา เรืองบนแต่เพื่นเท่าขึ้นมาเวี้ยงล่างแต่ปลายผมลงไปถ้าจะปฏิถิถจะปริยั่นโตก่วงสอกเนี่ว่านาคคือรูปกระถรรละล่ำแ ล, ล, ละลึกอยู่กับนดรู่อยู่ในกายนี่เป็นอารมณ์วิตกวิจารท์มันเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งยุดับไปเกิดแก้เก็บก็กตาย จะลายไปนี่จวกายคตาสติอนาปานสติอนุสุลมบหายใจเข่าหายใจออกมรณานุสติทิฏฐานเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับวนนาเกิดดับเกิดดับเกิดดับมรณะนุสตินี่คือว่าอาการซิอยางเนี่ย ก็มีสติระลึกรู้อยู่ในอาการซิบยางนี่แหละเป็น ท, าท่ามสิจะให้คนทุกข์เลยคนทุกข์คนยากค น, นลําบากทั้งหลายได้ด้วยการภาวนาหรือการระลึกในอารมณ์ทั้งซิบย่างเป็นการทวนกระแสของอารมณ์วิตกวิจารณไปใน ข่อมโกรธขอมโลภตกวิจารไปในเหตุให้รเกิดค่อมเสียใจครับแค้นใจอีกเร่อท่วนทวนกระแสท่วนกระแสจากอารมณ์ของผ่านของกิเลส ข, ของผ่านมาเอาอารมณ์ของนักปราชญ์บัณฑิตที่สอนไว้มันเครื่องรูเครื่องละลึกพูดเจริญ อนุสติสิบโดยความตั้งใจด้วยความไม่ผอธุระโดยความเพียรเป็นอย่างว่ายางนั่นเจ็ดปีที่วัดต่ตอเนื่องเด้ทำต่อเนื่องกันไปเรืเร่อยๆโดยศรัทธาเชื่อมันตั้งมันในการกระทำ 7ปีจะต้องบรรลุผลสําเร็จถึงความสุขขันธใดขันหนึ่งได้ล่ะเรียกว่าบรรลุสู่ถ้ำโล ก, กุตระถ้ำขันใดขันหนึ่งได้ยางสาเรีวเขาไมา่สามปีสามเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสามเดือนเจดวันสามวันนี่ ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในการเจริญอนุสติสิบอย่างทำให้คนทุกคนยากคนเวียนคนไข้ได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติตามนักปราชญ์บัณฑิตปฏิบัติตามถ้ำที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ชอบ ทอาทำให้ตัวของเล่าชอบให้ความรู้ก้อมเห็นก้อมนึกก้อมคิดของเล่าให้มันชอบแล้วก็กายว่าใจใจของเล่ามันชอบไปทําตามกันอันนี้ไม่มีการไม่มีเวลามีการไม่มีเวลาไม่ว่าเวลานั่นการนี้ถ้ำให้เป็นปัจจุบันปัจจุบัน เรื่อยเรื่อยเรอื่คนสุดท้ายจัดังเวททิตพโววินยูหิวินยูชนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะรู้เห็นจำเพอตนได้คนทุกข์ได้จำเพอตนไดออ้อำนาจบุญคุณลคุณงามความดีที่พากันได้ทำบำเพ็ญจอมร่วมเป็น ละเป็นกำลังมีนนำประสบผลสำเร็จมีความเจริญในธรรมในบุญกุศลยย่งยิ่งขึ้นไปอิชิตัมปะทิตัมทุมหังคิตเมวสมิสตุสาเบพุเรนตุสามกัปปะจันโบปวาโสยถามณีโชธิระโสยถาสพีติโยวัชันตุปสาบโลโควินะสตุมาเตพวัตวรรณยราโย สุขีทีคายุโกควะอภิวาธนาสีริสนิจังุทธาปชายิโนจัตโลธร ม, มาวทันติอายุวนโนสุขังภาลังนะปันทุปันทุก